ตอนพระศิวลีวันที่19มิถุนายน2559ก้าบนุษย์ราการพระคุณเจ้าสา ม, มนเณรคุณเมชีกัเณมิตรทุกทนนะนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นปกติทุกวันอาทิตย์นะวันนี้พระครูเลือกพระศิวลีนะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นก็มีอะไรแจ้งให้เราทราบ ก็มีจดหมายจากออสเตรเลียนะวันนี้มีจากออสเตรเลียสองฉบับดีค่ะคุณปุ๊กสบายดีนะคะฝากกล่าบพ่อครูและแจ้งข่าวการเสียชีวิตของน้องเจมส์ค่ะเมื่อคืนวันอังคารวันอังคารตอนหัวคำ่ำพี่ยังทำงานอยู่ แต่น้องเขาอยู่บ้านคนเดียวมีคนเข้าไปในบ้านแล้วทำร้ายน้องจนเสียชีวิตค่ะตอนนี้พี่ยังไม่รู้อะไรมากนักตารวจเขายังไม่อะไรมากแล้วตารวจก็ยังไม่ให้พี่เข้าบ้านเลยต้องอยู่โรงแรมกันฝากก่าพวกคูด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังปิดข่าวกันอยู่ค่ะเลยอยากบอกให้คุณปุ๊ได้รับรู้ ตอนนี้หัวใจมันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะคุณปุ๊กน้องเจมปีที่แล้วเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียกับคนไทยเนี่ยกระดูกหลังแกมีปัญหาแกก็เดินแกมาเข ม, มาที่นี่เดินนั่นก็อันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีอะไรเยอะแยะในโลกนี้เนา ะ, นะที่ฟลอริดา โอลเอนโดก็ Orlando, มีคนเอาปืนไปกาดยิงคนอยู่ในไนท์คลับนะ่ตายไปห้าสิบคือมันสะท้อนเห็นว่าตอนนี้ในประเทศไหนในโลกนี้เจริญแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยนะชีวิตเรามันมันก็เห็นอะ น, นิจังทุกครั้งอนัตตาไม่เที่ยงและอีกฉบับหนึ่ง ฝากบอกพ่อครูว่าฉันอยู่ออสเตรเลียแต่คิดถึงเมืองไทยมากเหมือนกันค่ะที่ฉันถามเรื่องความเบื่อนั้นก็เพราะว่าที่นี่มีคนถามฉันว่าเธอเบื่อทําไมเบื่ออะไรฉันไม่รู้จะตอบยังไงรู้แต่ว่าเบื่อไม่รู้เบื่ออะไรช่วงนี้ฟังธรรมของพ่อครูจากยูทูปก็ได้ฟังท่านเล่าถึงเรื่องต่างๆรวมถึงความรู้สึกเบื่อเลยคิดจะถาม เพื่อว่าจะช่วยฉันเข้าใจมากขึ้นว่าเบื่ออะไรเบื่อทำไมฝากกราบพ่อครูด้วยก่ะหวังว่าท่านสบายดีและขอบคุณที่ไปถามเรื่องนี้ให้หวังว่าพี่ปุ๊กสบายดีด้วยครับและถ้าเป็นไปได้ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าวิธีการแก้เบื่อควรทำยังไงต้องกัดฟันอดทนรอให้มันผ่านไปอย่างเดียวไหมคะ นึกถึงพรอครูท่านคงจะคิดว่ามันเอาอีกแล้วถามเรื่องเดิมอีกแล้วมันก็จริงนะเรายังไม่ผ่านเรื่องเดิมนี่แหละใจหนึ่งคิดว่าต้องอยู่ที่นี่อดทนกับวันอยู่ให้ได้ห้ามไปไหนแต่อีกใจหนึ่งคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สัพพายะต่อการปฏิบัติสัก์เท่าไหร่และคิดถึงเมืองไทยมากอยากกลับไปเมืองไทยก่อนฉันโมอีกแล้ว คนเข okay. so, so ียนนี่ค like so so ือใครหรือไหมก็มีคําถามฉันมีคําถามอยากจะรบกวนฝากถามพ่อครูก่าคือพ่อครูเวลาเล่าถึงประวัติของตัวเองจะเล่าว่าช่วงที่ไปอยู่อเมริกาแล้วมันมีอาการเบื่อมากซึ่งพ่อครูบอกว่าท่านไม่รู้มันเบื่อเพราะอะไรแต่พอพ่อครูระเบิดแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมท่านคงได้ทราบว่าความเบื่อนั้นมาจากไหน ขึ้นมายังไงนี่คือสิ่งที่อยากถามสาเหตุที่ทำให้พ่อครูรู้สึกเบื่อคืออะไรคะใครมีอารมณ์เบื่อบ้างาก็นะนำไปอาวุธนิวเคลียร์ยิงให้มันตายเลยไอ้ตัวเบื่อก็เดี๋ยวลงชื่อภิกษุณีสัมมาสมาธิยันเต เขาก็ติดต่อมาเป็นช่วงๆเขาเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเรื่องมุ่งมั่นต้องยกให้เเขาเคยไปสํานักหนึ่งนะบอกเขาไปในป่าไปนอนไปดูช้างเขาก็ทําแล้วป่านั้นภิกษุหลายลูกเข้าไปแล้วก็โดนช้างเหยียบตายก็ไม่ได้ออกมาเขาก็ไปหลงตอนนั้นก็เป็นสามเณรลี ตอนนั้นสองจิตสองใจว่าจะบวชเป็นภิกษุณีหรือเปล่าทีนี้เขาอยู่ในวงการนั้นทุกคนว่าโอ้ยอาวุโสแล้วต้องบวช อ, อะไรอะไรอะไรทั้งนั้นดีว่าเขาแสวงหาความอิสระตลอดแต่เขาก็สู้กระแสไม่ได้ก็ไปบวชเป็นภิกษุณีนะมีศีลมากกว่าเก่าอีกถูกบังคับมากกว่าเก่าคือมันมันมันทวนท ว, วนกับทวนกระแสกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ เขาเป็นคนชอบวิสระชอบเสรีแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> พออยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนไต่เต้าทีละขั้นนะต้องเป็นเป็นเป็นภิกษุณีและสุดท้ายยันเต้ก็ไปบวชภิกษุณีที่ก็กูจําไม่ได้ที่ไหนหลแล้วแล้วก็เดินทางไปจาบรรษาหนึ่งที่ไต้หวันและตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ออสเตรเลียทีนี้เขาก็บอกว่าเคยได้ยินบอกก็กูบอกว่า ต้องอดทนเพราะว่าคนขี่เบื่ออยู่ที่นี่พักหนึ่งก็เบื่อจะไปที่นึงก็ไปที่อื่นก็เบื่อพราครูเคยพูดเรื่องธรรมะหมาขี่เลือนให้ฟังมันมาอยู่มุมนี้มันมันก็เกาเกาเกาคันคันคันบอกว่าที่นี่ไม่ดีมันคันมันก็ย้ายไปอยู่มุมนู้นแล้วมันก็คันอีกว่ามุมนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็ย้ายไปอยู่มุมน้นมันก็เกาอีกมันก็หาว่าตรงนี้ก็ไม่ดีนะนั่นแหละ เขามองไม่เห็นตัวเองนะเขาก็คิดว่าเป็นพ่อสถานที่นะแต่ยันเต้พวกครูเขาคงแอบฟังอยู่เนาะ YouTube แลก็ลงไปเนานะพวกครูยังเชื่อมั่นในความตั้งมั่นของเขานะเขาเป็นชาวต่างชาติซึ่งรู้เรื่องพุทธศาสนากว่าคนไทยเยอะแยะนะภาษาไทยเขาก็เก่งนะเขาก็หลังแปรสามชั่วโมงมารู้ทำ เขาไปอยู่ประเทศไหนก็ชั่นงเขาเขาก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่สำนึกรู้ธรรมแล้วก็าเขาตั้งใจเรียนจนเรียนภาษาไทยแล้วก็จนแปลหนังสือได้เนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาเขาเจอคือไอ้ตัวเบื่อ <Yeah. S 1> ก็คำถามแรกว่าเมื่อพวอครูเราเบิดแล้วเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมท่านคงได้ทราบว่าความเบื่อนั้นมาจากไหน ทีนี้คนตะวันตกและคนไทยทุกวันนี้เหมือนกันเราเรียนรู้แบบตักกัแบบวิทยาศาสตร์อยากรู้คําตอบว่ามันเป็นเพราะอะไรนะก็วิ่หาคําตอบนะอันนี้คือคําถามแรกว่ามันความเบื่อนี่มาจากไหนและคําถามที่ต่อมาก็บอกว่าวิธีแก้ความเบื่ออย่างไรก็สั้นๆนะวันที่พ่อครูเราเบิดแล้วเนี่ยนะ บอกรู้แล้วรู้แล้วรู้อะไรไม่รู้อะไรเลยแต่มันไม่เบื่อก็เอาเข้าๆเอาเข้าๆว่าถ้าพูดเป็นภาษาทางศาสนานก็คือหนึ่งมันมีผู้รู้ว่าเบื่อไม่ดีนี่คืออวิชาเรารู้ว่าเบื่อไม่ดีเนียเรารู้ว่าเราไม่ชอบเบื่อไงมีผู้รู้ว่าเบื่อไม่ดี ซึ่งพอกูว่ามันเป็นอวิชามันเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งของเราเอาวิชานะแล้วก็อารมณ์ที่สองคือมีผู้หาวิธีกำจัดความบืนยันเต้ก็อยู่ในสภาว่านี่ว่าแกเบื่อแล้วล่ะเบื่อมาหลายปีแล้วมิ่งตามหาแม้กระทั่งเป็นนอนให้ช้างมันเหยียบก็เอาเพราะเขาต้องการเขาสู้จริงๆ เรื่องมุ่งมั่นเรื่องศรัทธาเรื่องอะไรเนี่ยยันเต้ต้องยกให้เขาแต่ทีนี้กิเลสหรือความรู้ของคนยุคนี้ก็คือว่าต้องหาเหตุผลแบบประกาอารมณ์หนึ่งคือมีผู้รู้ว่าเบื่อไม่ดีในวงเี็บคืออวิชชาคืออุปกิเลสอันที่สองมีผู้หาวิธีกำจัดความเบื่อ แล้วก็หาวิธีสแสวงหาถามคนนั้นถามผู้รู้อ่านพระไตรปิฎกอะไรเนี่ยแล้วไปที่โน่นไปที่นี่นะจะไปทั่วร่วงมาหมดเลยครับยันเตย น, นะยังมีผู้หาวิธีกําจัดความเบือ่อและอารมณ์ที่สามมีผู้ไม่อยากเบือ่อนะมีผู้ไม่อยากเบือ่อเรียกว่าวิภวะตัณหาหรือว่าขยากเบื่อบางที่นี่นะสัญชาตญาณกิเลสเนี่ยเราไม่อยากเบื่อหรอก มันมันไม่ชอบเบื่อมันถึงหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะมีผู้ไม่อยากเบื่อนะก็คือวิพวัตัญหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีความเบื่ออยากไม่เบื่อนะแล้วก็สุดท้ายผลของมันคือมีผู้เบื่อมีผู้เบื่อเพราะผููเบื่อมากๆมากๆมากๆที่มมันทุกข์มากๆ เพราะมันไม่รู้ว่าเบื่อเพราะอะไรแล้วก็หาวิธีนะ่ะไปเที่ยวเตะไปทำอะไราสะใจนะ่ะมันก็กบเกินความเบื่อได้ชั่วคราวพอกลับมาบ้านมันก็เบื่ออ่ถ้าเรารู้ว่ามันเบื่อเพราะอะไรเราจะไปเบื่อทำไมมันเบื่อเพราะเราไม่รู้ว่ามันเบื่อเพราะอะไรนั่นแหละแต่เป็นเพราะเราไม่อยากเบื่อเรามีตัวไม่อยากเบื่อนะ อริยสัจสเนี่ยทุกสมูทัยนิโรดมานะต้นเหตุของทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาวิพัตต์ตัณหาคือที่มาทุกขนะ์แต่ตอนนั้นที่พระครูเราเบิดแล้วไม่ใช่พ่อครูไปดูเหตุผลด้วยตักกะว่าเออมันเป็นเพราะอยากอะไรไม่ใช่วินาทีนั้นมันระเบิดผู้เบื่อทิง้งเมื่อผู้เบื่อไม่มีแล้วใครจะเป็นคนอู ภาษาก็พูดได้แค่นี้แหละแต่ทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุเหตุสาเหตุต้นเจริงๆแล้วไอ้ตัณหาในอริยสัจ ส, สีนี่ยังไม่ใช่ต้นเหตุนะมันเป็นแค่สายเหตุมันเป็นแค่สาเหตุคือความอยากนั่นแหละความอยากกับไม่อยากนี่คือสาเหตุ ต้นเหตุของของของของตัณหานี่มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปาทานทำให้เกิดตุตก ก, ก, กิเลสคือเราไม่อยากเบื่อนะกิเลสคือว่าเราเราเราชอบเราชอบเราชอบสบายอิสระเห็นไหมเราชอบแบบนั้นทีนี้มันก็มีความไม่อยากเบื่อ ไม่อยากเบื่อพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเนี่ยมันขัดขัดหูขัดตานะมันก็เกิดความเบื่อตัวตันหาตรงนี้เนี่ยที่มาของตันหาก็คือกิเลสทีนี้กิเลสนี่ก็ยังไม่ใช่ต้นเหตุนะแต่มันต้นมันเป็นต้นเหตุของตันหานั่นแหละแต่กิเลสมันก็ยังมีที่มาของมันอีกก็ใช่ะที่มาของกิเลสคืออะไร คือมีอัตตาคือมีตัวเรามีคนซึ่งปลูกฝังกิเลสมาและคนนี้มันมาจากไหนอัตตาตัวนี้มาจากไหนอัตตาตัวนี้ยังไม่ใช่ต้นเหตุที่นะอัตตาตัวนี้เนี่ยต้นเหตุของมันก็คือกลับถ้าเราสาบไว้เลยมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุพเพราะครูเคยบรรยายบ่อยๆว่าเด็กชายแดงเด็กชายดอนเนี่ยวิ่งร้อยเมตรแข่งกับพอไปถึงห้าสิบเมตร เด็กชายแดงมันล้มลงไปหัวเข่าแตกมันร้องไห้แม่วิ่งมารู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยมันทุกข์เพราะมันร้องไห้แม่ต้องการดับทุกข์ให้ลูกว่าลูกหยุดหยุดยุดยุดยุ ด, ย ด, ยดแม่จะขาดใจแม่ทุกข์มากกว่าลูกอีกนะเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมให้ซื้อจักรยานให้หยุดร้องไห้เถอะแม่ที่แก้ที่ไปเหแม่แก่ไปเหทีนี้เด็กคนหนึ่งวิ่งมาคุณแม่ที่มันร้องไห้เนี่ยเห็นไหมหัวเข่ามันแตก เห็นไหมแทนที่จะรักษาหัวเขาลูกแล้วลูกยุนร้องไห้ไม่เห็นว่าหัวเขามันแตกนะที่มันร้องไห้เนี่ยเหตุเพราะหัวเขามันแตกอีกคนหนึ่งวิ่งมาเนี่ยฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่หัวเขามันแตกเพราะมันล้มเห็นเหตุที่มันหัวเขาแตกเพราะมันล้มอีกคนหนึ่งวิ่งมานี่ฉันเห็นมากกว่าเธออีกนะที่มันล้มนั่นมันขัดขาตัวเองล้มไม่มีใครผลักมันล้มเห็นไหม สาเหตุที่มันล้มอะเพราะมันขัดขาตัวเองอีกคนนึงวิ่งมาเนี่ยฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่มันขัดขาตัวเองล้มเนี่ยมันวิ่งไวเกินไปอีกคนนึงวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีกที่ไอ้แดงมันวิ่งไวเกินไปเนี่ยเพราะมันบอกฉันว่ามันอยากชนะเห็นไหมมันอยากชนะไงถ้าถ้าในชาตินี้เนี่ยถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จบอยู่ที่ ตัวสมูทไทยก็คือตัวอยากตัวตันหานี่ก็ใจว่าแต่ต้หนหตต้หายังไม่ใช่ต้นเหตุทั้งหมดมันก็สาวไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเพราะมันรู้ว่าชนะก็ดีงนี่คือเอาวิชาคือมันรู้ผิดว่าชนะถึงจะดีถ้าแพ้ไม่ดีเข้าใจนี่คือเกลียดทำให้เกิดตันหาอยากชนะทั้งหมดในชาตินี้ อาวิชาทำให้เกิดสังขาสรสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดรูปนามปฏิสมบูรณ์แบบก็กลับเพื่อนไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้คือแก้ปัจจุบันนะแก้ปัจจุบันต้นเหตุอะไรที่ทำให้เรามาเกิดกรรมกรรมเกา่าบวกกับกรรมใหม่ที่เราไม่รู้ผิดว่าชนะถึงจะดีเนี่ยวิชาเกิดขึ้นแหละทำให้เกิดสังขารคิดปรุงแต่งว่าฉันต้องชนะ พอฉันแพ้ฉันก็เลยถูกและทุกวันนี้เราแก้ปายห็นกันหมดนะถึงือว่าคาถามที่ยันเต้ออกมาแล้วพูดกว้างแค่นี้แต่ไม่ใช่รู้แล้วปุ๊บแล้วเธอจะจัดการความเบื่อเธอได้ไม่ใช่อ๋อรู้แล้ววพากูบอกตัวตันหาทำให้ฉันฉันเบื่อต่อไปนี้ฉันจะไม่มีตันหาฉันจะเลิกเบื่อทาได้ไหมไม่ได้ เอาเป็นว่าวินาทีพรากูลระเบิดนั้นน่ะเหมือนพรอคูสว่างไปหมดเลยว่าเหมือนว่าเรารู้แล้วเราเบื่อเพราะอะไรจริงๆแล้วไม่รู้มันระเบิดอัตตาตัวตัวเองตัวนี้ไอตัวคนที่มันเึืตายแล้วเมื่อไอคนนั้นมันตายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนเบื่อนั่นแหละระเบิดอัตตาทิ้งเข้าไปสู่สุญญาตาว่างจาก ความเบื่อมันจะมาจากไหนมันมาเพราะเรามีผู้เบื่อคนที่จะเบื่อเข้าใจไหมก็ถ้าจะหาคำตอบแบบตรรกะตัวนี้เนี่ย <c oughs> หาอย่างไงก็หาไม่เจอก็ฟังบกคูพูดก็เข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้เหมือนกันก็เดินต่อไปนะก็ <c oughs> คณะสัญญากั้นบังอนตัตตาเริ่มจากยันเตเกิดมาปุ๊บเนี่คุณพ่อคุณแม่หรือใครตั้งชื่อชื่อยันเตนะลูกอันนี้ก็หนึ่งสัญญาเห็นไหมนี่พ่อนะนี่แม่นะสองสามสัญญาชนะถึงจะดีนะลูกอ่าสี่ห้าสัญญามันก็รวมกันเป็นคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมาทำให้เราไม่เห็นอนตัตตาอันนี้คือสิ่งตึงแตง สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกข์อะไรซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติทุกมหมดอันนี้ก็รู้ยันเต้เรียนก็รู้รู้หมดแกเรียนมัตไตมีดัวแกเรียน ร, รู้แกรู้มากกว่าคนไทยหลายคนด้วยอันนั้นมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะก็เราต้องรู้ว่าอะไรที่ทําให้เราไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นอ น, นิจจังไม่เห็นทุกขัง นะมันก็มีถูกความรู้ผิดเหล่านี้นะ่ยมันบล็อกไว้นะที่เรียกว่าอาวิชชาทีนี้อวิชชาในพระไตรปิฎกคนทั่วไปก็แปลว่ามันคือความไม่รู้มันคือความโง่เราก็เรียนรู้ใหญ่เลยเรากุ้วเราเป็นคนโง่เรียนจนจบปริญญาเอกเรียกว่าด็อกเตอร์ออกมามันก็เอาปืนไปยิงเพื่อนตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายเห็น ไ, ไหมยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ อวิชชาจึงไม่ได้แปลว่าความไม่รู้อวิชชาน่าจะบอกว่าน่าจะนะเพราะครูไม่บางอาจนั่นสำหรับพ่อครูแล้วไม่ชอบตั้งแต่แรกว่าอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้เพราะครูไม่ชอบนะแต่พูดให้มันใกล้เคียงหน่อยในทัศนะพ่อครูนะอวิชชาคือความรู้ผิดรู้ว่าชนะถึงจะดีแพ้ไม่ดีรู้ว่ารวยก่อนถึงจะมีความสุขอันนั้นคือความ รู้ผิไม่ใช่มีรู้นะก็ผู้เจ้าทึงบอกว่าอยา่าพึ่งเชื่อตำราไงเนี่ยไอ้เล่มบักใหญ่เนี่ยตำราเนี่ยเป็นร<ม>้อยเล่มอย่างนี้นั้นอ่ะนะเขาบันทึกด้วยภาษาจะเป็นภาษาบาลีสันสกิตอินเดียโบราณแปลเป็นไทยกท็ช่างก็คือภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่ความจริงนะ มันก็เลยวุ่นวายขนาดนี้แหละทีนี้ตำราทุกวันนี้เราเรียนรูปแบบวิทยาศาสตร์นะหเหตุผลแบบตั ก, กะแบบเหตุผลแบบตักกะเนี่ยเราถึงเข้าไม่ถึงความจริงทีนี้ก็ฝากบอกถึงเหนเทว่าวันที่การที่ว่ามันเกิดระเบิดแล้วพวกว่าผู้ครูดวงตาเห็นธรรมก็คงได้คำตอบถูกแล้ ว, วกครูได้คาตอบทุกอย่างเลย แต่คำตอบตัวนั้นไม่ได้ออกในรูปของภาษามันเกิดจากความรู้สึกเข้ไมมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยหายเบื่อแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันมีความรู้ผิดหรืออะไรไม่ใช่ไม่มีเหตุผลแบบนั้นมันแก้ที่ต้นเหตุของมันมันระเบิดไอ้คนที่มันเบื่อนั่นทิ้งไอ้คนนั้นมันตายแล้วนะมันเรียกว่าสุญญตาว่างจากอตา มันเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยที่ที่พร้อมไม่ได้เกิดขึ้นจากตั ก, กะและเหตุผลทางวิชาการที่ยันเตกำลังจะหาแกวิ่งหาหมดหาคำตอบนะแกก็เลยไม่ดุดพ้นจากไอตัวเบื่อสักทดเพราะกูเข้าใจนะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตัดสรู้ทมเป็นสัมมาสัมวิเจ้าด้วยความอะไรรู้ไหมไม่ใช่เบื่อนะด้วยความเศร้าเนื่องจาก จริตของพระ อ, องค์หลายภพหลายชาติเนี่ยพระองค์เป็นโพธิสัตว์มาเชื่อเนียนะพระองค์มีมหากรุณามองอะไรเมตตาเขาจนเศร้านะพระ อ, องค์บรรลุธรรมด้วยความเศร้าพระครูระเบิดพระครูเปื่อนนะยันเต้อย่าถอยเกือบจะถึงฝั่งแล้วแต่เลิกหาคำตอบได้แล้วนะ ก็ยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องชั่งตวงวัดได้มีเหตุมีผลจับต้องได้เป็นรูปธรรมเราจึงพยายามหาคำตอบแบบตรรก ะ, ะส่วนเรื่องจิตวิญญาณซึ่งเราเรียกว่าเป็นนามธรรมานั้นมันไม่มีสูตรตายตัวว่าประสบการณ์ซึ่งเกิดกับคนนี้แล้วเอาเป็นบรรทัดฐานมาใช้กับคนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นนาน า, นาจิตตังแม้กระทั่งลูกฝาแฝด เกิดมาพร้อมกัน DNA เหมือนกันเลยอันี้ขี้แยอันนี้ไม่ขี้แยอันี้ IQ สูงอันนี้ IQ ต่ำเห็นไหมทำไม DNA เหมือนกันเลยไงพ่อแม่เดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยเราจึงวิทยาศาสตร์ไปหาคําตอบที่เป็นชุดวิชาละทุกคนโอ้อย่างนี้เนี่ยก็ไปนิพพานกันหมดแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ เดี๋ยวพกครูตามไปว่าเอาล่ะมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุนะแล้วสุดท้ายมันไม่มีต้นเหตุจริงๆมันไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายแต่ผู้เจ้าแสดงปฏิบัติสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจริงเกิดนะมันมีเหตุสาเหตุต้นเหตุและไอ้ต้นเหตุมันก็มีเหตุสาเหตุต้นเหตุของมันอีกมันไม่มีวันสิ้นสุดนะ มันมีคําที่พวกครูเขียนไว้ตรงบางประสูติรสนุปรินิพานอะที่คนบวราณก็บอกสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปนะอออนี้เราก็ไปเรื่อเรื่อยตายแล้วเวียนว่ายตายเกิด ไ, ไปแล้วเวียน ไ, ไม่มีวันจบแมกก้กระทั่งเป็นพระ้าอะหรจิตดวงนั้นยังไม่ได้ดับสูนไ์เป็ ถ้ามันดับสูญได้มันก็มีเบื้องต้นมันมีเบื้องปลายแต่จิตดวงนั้นเน่ะหลุดพ้นจากบ่วงของวัตตสงสารสามโลกธาตุเท่านี้พระพุทธเจ้ายัางอยู่นะทีนี้าบางคนก็ยังไม่ได้ยินนะสี่คนหามก็คือว่าเราประกอบด้วยกายรูปประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ เราทรงตัวได้เพราะเรามีดินน้ำลุดไปสามคนแหะเราต้องเดินไปตามขบวนการของกฎพะระไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาใครก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ตรงนี้ถ้าตราบใดเราอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของในวัฏฏะสงสารคือสามโลกธาตุนี้ จิตซึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะหลุดจากวงตรงนี้แต่ไม่ใช่จิตดวงนั้นหายไปแต่หลุดออกมาจากวงจรของวัตจรสงสารโอดูจากวงจรของกฎปรไตยลักษณ์ตรงนี้เห็นสองคนนั่งแค่นะเราอยู่ภายใต้กรรมก็คือบุญกระบาบบุญกระบาบเป็นตัวกำหนดให้เราเนี่ย เกิดไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงนะว่าหนึ่งคนพาไปก็คือจิตสุดท้ายที่จะออกจากร่างนี้เนี่ยเขาไปตามโปรแกรมกรรมบุญกับบาปก้าวไปสู่อีกภพหนึ่งนะมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็หลายอาทิตย์แล้วที่เรามาพูดเรียนรู้เรื่องประวัติของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยพเพราะครูก็เปิดเปิดป ด, ดูแล้วเนี่ยก็ คล้ายๆกันก็พูดเรื่องอดีตเขาปฏิเสธอดีตไม่ได้นะอดีตสร้างบุญอะไรสร้างบาปอะไรแล้วเกิดมาชาติสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่บุญนี้ส่งผลอะไรนะตัวที่สร้างบาปเนี่ยส่งผลอะไรนะคล้ายๆกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือสองคนนั่งแค่ก็คือบุญกับบาปที่สร้างมาไม่เหมือนกันส่วนหลักการมันเหมือนกันหมดนะ ก็บางอาทิตย์ก็ว่าพราะครูถ้ามีเวลาพราะครูดูดูแล้วก็เอามาย่อให้ฟังแต่บางทิตย์เราไม่มีแล้วก็นั่งฟังก็เรียนรู้จากฟังเรื่องภาษาพระไตรปิฎกบ้างพูดพอย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาบางทีอ่านไปอานมาบางคนถ้าไม่แม่นก็งงไปเลยนะแต่ส่วนมากมันก็ไม่มีหลักก็อยู่แค่นี้นะพระรหัน์ทุกรูปเนี่ยเขาจะพูดถึงที่มาที่ไปนี่คือหลักเรียสัจส์เห็นไหมมีเหตุสาเหตุต้นเหตุ นลักเลียศัตว์สินะก็เขากระดึงให้เราไปดูที่อดีตของพระอรหันต์เจ้าเหล่านั้นว่าท่านทำอะไรบ้างเป็นแสนแสนกับเลยนะไม่ใช่เรื่องที่มาเรื่องชาติเดียวเนี่ยนะและก็บุญกับบาป ท, ที่เราสร้างกันนั้นมันจะส่งผลให้มาถึงชาติปจุบันแล้วก็ถึงอนาคตชาตินะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันจึงไม่มีสูตรสำเร็จว่าไปหาคำตอบว่าเธอเบื่อเพราะอะไรนะ ยันเตยังติดบ่วงตรงนี้อยู่เขาก็รู้นะเขาถึ่งบอกว่าเดี๋ยวถูกพวกครูว่าอยู่ะเรื่องเก่าๆอยู่ที่นี่ก็ถามนั่นแหละเขาพยายามจะหาวิธีที่จะจัดการความเบื่อของเขาแม้กระทั่งฆ่าตัวเองตายคิดว่าคงความเบื่อมันจบแล้วไหมไปเกิดใหม่มันก็ตามไปอีกเนาะไม่ใช่ไปเผาทิ้งแล้วมันก็จบไม่จบ ผู้อยากถูกระเบิดทิ้งแล้วว่างแล้วก็ว่างว่างจากความเบื่อกิเดตันหาวประธานเนเยสันสีก่ก็พรอครูก็โนดไว้เข้าๆอย่างนี้นะแต่ทีนี้ยันเต้ก็บอกคํานึงว่าเขาจะอดทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาคิดว่ามันไม่ใส่สปะละสปายะนั้นอันนั้นก็ได้ขันติอย่างเดียวนะแล้วดีไม่ดีถ้าถ้าไม่เปิดมันก็ขันแตกเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าถ้ารู้แล้วว่าไม่ไม่ใช่สัปปายะไม่ใช่เราหนีสิ่งนั้นน่ะนะถ้าเรามีทางเลือกได้พระพุทธเจ้าบอกจงเดินทางไปสถานที่สัปปายะซึ่งมันเหมาะกับการบําเพ็ญเพียรถ้าอยู่กับตรงนั้นน่ะคือมันก็ทําได้แต่มันทํายากได้หน่อยหนึ่งเหมือนเรายังไม่แข็งแรงก็เผอพุดก็เปื่อนอีกเข้าออกอีกเผอเปื่อเอดี๋ยวออกอีกเห็นไหมก็ ให้พ่อครูให้คําแนะนํำอุตส่าห์ถวายชีวิตภาวนาบวชจนพลิกเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยนะบางทีเราไปฝึกขันติอย่างเดียวเนี่ยนะเห็น ไ, ไหมฝึกขันติอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ฝึกขยันแบบงงๆก็ไม่สําเร็จนะนะต้องเดินทางสากลางแล้วถ้าเราเลือกได้นี่ยล้วก็ไปในสถานที่นอกจากว่ามันสัปปายะแล้วเนี่ยไอตัวเบื่อเรา ตัวลังเลสงสัยเรายังมีข้ออ้างอยู่อันนั้นแหะเราต้องขันติแต่นี่ไม่ใช่ขันติอันนี้เขาพยายามแสวงหาเพราะเขาเบื่อตรงนี้เบื่อตรงนี้เบื่อตรงนี้แสวงหาอยู่เรื่อยแล้วลเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอสิ่งนั้นนอกกายเรานะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนะก็เบือ่อมีประโยชน์เพราะครูบอกแล้วมันคืนผลของมีปัศนาคือนิพพานลม แต่ลึกๆความเบื่อนั้นมันก็แฝงที่พระครูบอกหละสี่ห้าข้อนั้นเริ่มจากมันมีผู้เบื่อเราเนี่ยแหละเป็นคนเบื่อก็อัตตาเรานะนะเพราะเรามีผู้รู้ว่าเบื่อไม่ดีเหมือนเรารู้ว่าให้จนไม่ดีนะต้องรวยถึงจะดีอันนี้คือวิชาล้วถูกสอนว่าให้รวยถึงจะดีนะรวยถึงจะมีความสุขนะ อา้ามันก็ดีแล้วไงมันไม่ดีนะเพราะว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยนะพอรวยล้านนึ่งปุ๊บเนี่ยกาลังมีความสุขไอ้คนนั้นมีสิบร้านมันดูถูกเราอีกเอาเขก็ทุกข์อีกก็ต้องเป็นรวยอีกรวยไปว่ามีมีเหลือลน้นนะมีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขจนแปลว่าไม่มีไม่ได้แป ล, ว, ป ว, แปลว่าทุกข์ทั้งหมดนี้คือเรามีอวิชาคือเรามีความรู้ผิด เรารู้ว่าเบื่อไม่ดีไงเราจึงไม่อยากเบื่อพราะมันเบื่อปุ๊บเราก็ทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สูตรทั่วไปว่าเออเธอเบอเื่อเพราะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไม่ตายตัวมันเกี่ยวกับอดีตกรามเราด้วยนะเกี่ยวกับอดีตก ร, รมเราด้วยนะก็มีแล้วก็แค่ถามบอกว่าเบื่อทําไมมีวิธีอย่างให้แก้เบื่อ น, น, นะก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ตั้งมั่นมุ่งมั่นต่อไปแต่ถ้าเราเลือกสถานที่ที่มันเป็นสัพเะจริงๆได้เนี่ยคือล้างออกอย่างเดียวล้างออกอย่างเดียวไม่ต้องไปเพิ่มเติม ม, มันเปื้อนด้วยเนี่ยอันนั้นมันก็ทำให้เราเดินทางได้คล่องตัวหน่อยหนึ่งนะในตัวของภิกษุณียันเต้นนะเขามีความมุ่งมั่นเขามีศรัทธาเต็มเปีย่ยม แต่เขามีความลังเลสงสัยเพราะเขาอยากรู้คำตอบนะเขาอยากแก้ปัญหาความเบื่อของเขาด้วยเหตุผลแบบตกกรรกนะมันไม่มีสูตรสำเร็จนะทำไมฉันเบื่อทำไมทไมฉันเบื่อคำว่าทำไมเนี่ยก็เป็นคำถาม ความลังเลสงสัยคือนิวรณ์คือสิ่งขวนท่านจันเดือนทำยังไงฉันจะหายเบือ่อก็อย่าเบื่อสิ่อพูดแล้วทำได้ไหมก็ง่ายง่ายไงก็ไม่ต้องเบื่อไงเห็นไหมทีนี้มันยอมไหมไม่มันยังมีผู้เบื่ออยู่ไอ้ผู้ตัวนี้ลหละเป็นต้นเหตุทั้งหมด นะตาตัวตนเราก็ลบวนไม่ชีวงนะก็พราะกูขีดไว้เอานิดหนึ่งเอาหัวข้อสำคัญเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เวลามากแล้วร็กูจะสรุปนะพระสิวรีเถระพิสุาสาวกผู้เลิศด้านมีลาบมาก เป็นกษัตริย์สมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เป็นกษัตริย์พระศีวรีเถระเล่าอดีตชาตินี้ไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าในกัปที่หนึ่งแสจากกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระได้เสบจได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วศีลของพระองค์ใครๆก็คํานวณไม่ได้สมาธิของพระองค์ เปรียบด้วยแก้ววิเชียนชาญอันประเสริฐของพระองค์ใครๆก็นับไม่ได้และวิมุตติของพระองค์ก็หาอะไรเปรียบไม่ได้ครั้งนั้นเราเป็นกาษัตริย์ในพระนครหัตหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าผู้แก้วกล้าทรงตั้งสาวกของพระองค์ไว้ในตําแหน่งเอตะทะะัทคะด้านมีราบมากมีบุญเราได้ยินพระพุทธ เราได้ยินพระองค์ตรัสถึงคุณเป็นอันมากของพระสาวกจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกให้เสวยถึงเจ็ดวันครั้นถวายมหาทานแล้วก็ได้ปัตถาฐานานั้นพุทธพยากรณ์พระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยู่แทบพระบาทจึงตรัสพยากรณ์ท่ามกลางพุทธบริษัทว่าท่านทั้งหลายจงคอยสะดับ พาสิทธิของเราทัษิณาที่ตั้งไว้ในพระพุทธเจ้าผู้มีคุณหาประมาณไม่ได้พร้อมทั้งพระสงฆ์ใครเราจะเป็นผู้ถือเอามากล่าวเพราะทักษณานั้นมีผลหาประมาณไม่ได้อีกประการหนึ่งกษัตริย์ผู้มีโภค้ามากนี้ทรงปรารถนาฐานนันดอนอันอุดมว่าขอเราพึงเป็นผู้มีแรดได้ลาบมากเหมือนพิสูชื่อสุทัศนะนั้นเถิด มหาบอพ์พีชจัดได้ฐานันดร น, นี้ในอนาคตในกลับที่แสนจากกลับนี้ไปจะมีพระศาสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระราชาทำบาปรร่วมกับพระมารดาโลหักกุมพีนรก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 อัศกถาอุทานเล่าว่าในชาติหนึ่งพระนางสุปวาสามารดาของพระศีวะรีเป็นพระอัครมเหสีของพระราชากรุงพระราณีต่อมาพระเจ้าโกศลทรงตรีธาทับเข้ายึดกรุงพระราณีปรุงพระชนพระเจ้าพระราณสีและสถาปนาพระอัครมเหสีของพระเจ้าพระราณสีให้เป็นพระอัครมเหสีของตนด้วยฝ่ายพระราชาโอรสพระศีวลี มีออกไปทางช่องระบายน้ำแล้วรวบรวมญาติมิจสหายและคนที่ยังจงรับพักดีพร้อมแล้วโดยดำดับก็ยกกำลังมาตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลกรุงพราณสีให้ทูตนำสารถึงพระเจ้าโกศลยื่นคำขาดว่ามีให้เลือกสองทางคือจะคืนราชสมบัติหรือจะรบพระราชารนดาทรงสับสารแล้วได้แอบส่งสารตอบไปว่าขอให้ลูกอย่ารบ ให้ตัดเส้นทางสัญจรเข้ากรุงล้อมไว้ให้หมดทุกด้านไม่นานชาวกรุงจะเกิดความยากลำบากไม่มีน้ำไม่มีอาหารพวกเขาจะจับพระราชาให้ลูกเองพระราชาโอรสได้ทำตามคำของพระราชมารดาปิดล้อมกรุงพราราณสีไว้เจ็ดปีเปิดช่องให้ประชาชนนำไม้น้ำพืชเข้าออกเพื่อให้ชีวิตพอเป็นไปได้เท่านั้น พระราชมันดาทรงรู้การเปิดช่องทางนั้นจึงส่งสารไปว่าเจ้าอย่างโง่เปิดช่องให้เข้าออกจงปิดการเข้าออกทั้งหมดพระราชโอรสทรงปิดทุกช่องทางต่ออีกเจ็วันชาวพรราคกนก็เดือดร้อนบุกจับพระเจ้าโกศนตัดพระเศียรไปมอบให้พระราชโอรสแล้วขาะผลของอากุศลที่รอมเมืองพนรรคอนนานเจ็ดปีนี้ชาสุดท้าย ทำให้พระศิวะรีราชกุมารจึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในขันเจ็ดปีการปิดทุกช่องทางอีกเจ็ดวันทำให้อยู่ในครันอีกเจ็ดวันและพระนางสุปปวส า, าต้องทรงทุกข์ทรมานทรงทุกข์อุ้มพระกันนานเจ็ดปีเจ็ดวันหลังคลอดแล้วพระสารีบุตรถามพระราชกุมารว่าเพื่อยังพอจะทนได้ไหมศิวรีกุมารตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญ กมจะมีความสุขที่ไหนได้เล่ากับผมต้องอยู่ในโลหะรุมิทีถึงเ็ดปีอีกแห่งหนึ่งว่าทรงสะดับฟังทรงสะดับทำแล้วทรงให้เปิดประตูเมืองชาสุดท้ายเกิดในรา ช, ราชสกุลโกริยะพระศิวรีเถระเล่าไว้ว่าพบสุดท้ายในบนัดนี้เราเกิดในโกริยะนะคร พระช น, นีของเราพระนามว่าสุปาวาสาส่วนพระชนกของเราพระนามว่ามหาลิชวีแห่งแคว้นบัชีเราเกิดในราชวงศ์ก็เพราะบุญกรรมแต่พ่อกรรมล้อมประตูเมืองให้ผลเราจึงต้องประสบทุกข์อยู่ในการพระมารดาถึงเจปีเราต้องอยู่อีกเจ็ดวันเพียบพร้อมไปด้วยมหันตทุกข์พระราชารนดาของเราต้องประสบทุกข์ด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็เพราะฉันทะในการล้อมประตูเมือง อัตถากถาเองนิบาตว่าพระศิวรีนี้เป็นสักยะปุมานแต่อัตถากถาอุทานว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าของพระของพวกเจ้าโกลิยะและบาลีอุปทานว่าเป็นพระเจ้าลิชวีพระราชปุมาลสนทนากับภาษาลิบุตร วันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยพิสุสง์เข้าไปในพระราชนิเวศพระนางสุปปาวาสาได้ถวายของควรเคี้ยวควรฉันควรริมอันปราณีต ด, ด้วยพระหัตต์ตนเองจนสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระนางให้พระโอรส ถ, ถวายบังคมพระพุทธเจ้าและให้ไหวพ้พิสุสงพระสารีบุตรถามพระพูมานว่าพ่อหนูเธอสบายดีหรือ พอเป็นไปได้ไม่มีความทุกข์อะไรบ้างหรือขรักุมารตอบว่าข้าแต่ท่านภาษารีบุตรกระผมสบายดีแต่ที่ไหนกระผมอยู่ในคันเปื่อนโลหิตอยู่ถึงเจ็ดปีพระนางสุปววาสาทรงระดับแล้วทรงมีพระไทยสดชื่นเบิกบานว่าลูกของเราสนทนากับพระธรรมเสนาบดีลาดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามพนางว่าดูก่อนสุปววาสา ท่านยังปรารถนาจะมีบทอีกหรือทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญหม่อมฉันปรารถนาจะมีบทอีกสักที่เจ็ดเจ็ดคนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้วทรงเป็นอุทานว่าทุกอันไม่น่ายินดีย่อมคอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของที่น่า ย, ยินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมคอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ารัก ทุกย่อมครอบงำคู่ประมากโดยความสุขอธถกถาว่านับจากวันประสูติแล้วผ่านไปสิบเอ็ดวันพระพุทธเจ้าได้พิสูจสงฆ์จึงเสด็จมาฉันในเรือนทาลกนั้นจึงมีอายุเจ็ดขวบเศษสามารถถวายบังคมและสนทนาได้แล้วออกบวชวันเดียวกับที่คลอดบรรลุพระอรหัสตพระสีวรีเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันตแล้วว่า เราอันพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วจึงออกจากครานมันดาโดยสวัสดีเราได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตในวันที่เราคลอดออกมานั่นเองท่านสาริบุตรเถระเป็นพระอุป a า h a ของเราพระโมคคารนะเถระผู้ทรงมหิธาริษมีปรีชามากท่านปลงผมให้แล้วอนุสารพร่ำสอนเราเราได้บรรลุพระอารหันตเมื่อกําลังปลงผมอยู่ตวยเทพ นาคและมนุษย์ต่างก็น้อมนำปัดใจเข้ามาถวายเราอัถกถ า, ธาประทานเล่าว่าในวันที่เจ็ดแห่งการเข้ามาเสวยในเรือนของพระนางสุปววาสานั้นพระสารีบุตรได้สนทนาปาศัยกับศิวดีกุมารแม้พระศ า, าสดาก็ตรัสพระคถ า, าว่าบุคคลใดล่วงพวนหนทางลื่นลมสังสาระโมหะได้ข้ามฝั่งแล้วมีความเพียรเพ่นพินิษ์ ไม่มีความหวั่นไหวหมดความสงสัยดับแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์อัทธกถาเล่าต่อไปว่าพระสารีบุตรกล่าวกับกุมารว่าเธอได้รับความทุศเห็นปานนี้บวชเสียจะไม่สมควรหรือกุมาร น, น้อยตอบว่าถ้าได้รับอนุญาตกับผมจะบวชขอรับพระมารดาเห็นการสนทนาจึงคิดว่าลูกของเรา กำลังพูดเรื่องอะไรกับพระธรรมเสนาบดีหนอจึงเข้าไปถามพระเถระภาษารีบุตรจึงเล่าให้พนางฟังพระนางสัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดีละขอให้พระคุณเจ้าบวชให้เขาเถิดพระเถระจึงนํากุมารไปยังวิหารแล้วให้ได้ปัญจกรัรมฐานและโอวาทว่าสิวลีเอย๋ยหน้าที่เกี่ยวกับโอวาทอย่างอื่นของเธอไม่มี เธอจงพิจารณาถึงความทุกข์ที่เธอได้เสวยมาแล้วตลอดเจ็ดปีเถิดศิวลีกุมานตอบว่ากระผมจะได้รู้ถึงภาระของท่านเกี่ยวกับการบวชบ้างผมจะกระทำตามท่านดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลในขณะที่เขาปงมวยผมขั้นชั้นที่หนึ่งได้ดำรงอยู่ในสกะทาคามิผลในขณะที่เขาปงมวยผมชั้นที่สอง ได้ดำรงอยู่ในอนาคามีผลในขณะที่เขารงมวยผมชั้นที่สามการปรงผมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยและท่านกระทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตตผลแล้วในเวลาไม่ก่อนไม่หลังกันนับแต่วันที่สิวรีสามเณรมรู้พระอรหัตปัจัจสี่เกิดแก่สงอย่างเพียงพอแก่ความต้องการทรงอาศัยบุญของพระสิวรีพาพิสูจสงผ่านทางกันดาน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 พระต่างต้องการเห็นพระพุท ธ, ธสรีละดุดทองคมและฟังธรรมจากพระองค์เมื่อเด็ดถึงหนทางแห่งหนึ่งเป็นหนทางสองแง่ท่านพระอานุนกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทางสองแง่พิสุสงจะไปทางไหนพระเจ้าค่ะตรัสถามพระอนุนว่าอานุนหนทางไหนเป็นหนทางตรงทูลว่าข้าแต่พระองคูเจริญ หนทางตรงมีระยะทางไกลประมาณส0สิบโยต์เป็นที่อยู่ของพวกอับมนุษย์ส่วนหนทางอ้อมแต่สะดวกปลอดภยัยไกลประมาณหกสิโยน์อาหารหาได้ง่ายพ่ะเจ้าค่ะตรัสถามว่าอานนสิวรีมาพร้อมกับพวกเราไม่ใช่หรือทูลว่าพระศิวรีมาด้วยพระเจ้าค่ะตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพิสุสงจงไปตามเส้นทางตรงเราจะได้ทดลองบุญของพระสิวรี จากนั้นทรงพาพิสุสงสเสด็จไปตามหนทางตรงหมู่เทวดาได้ช่วยกันเนรมิตนครขึ้นทุกทุกยศจัดแจงวิหารให้สเสด็จประทับและให้พิสุสงพักพวกเทวดาทำตัวดุดกรรมกรที่พระราชาทรงส่งมาปริบัติพวกเทวดาถือข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นเข้าไปถามหาพระสิวรีว่าพระผู้เป็นเจ้าสิวลีไปไหน ทราบแล้วก็นำของเหล่านั้นถวายแก่ท่านพระสิวรีเถระรับแล้วให้พิสุช่วยกันนำไปถวายพระาศาสดาและพิสุสงฆ์พระาศาสดาเสด็จไปวันละหนึ่งโยชน์พวกเทวดาก็ถวายสักการะแก่พระศีวรีเช่นนี้เรื่อยไปจนครบสามสิบวันสาสิบโยชนจนถึงที่อยู่ของพระเรวตะถึงความเป็นเอตะทักคะต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสีวรีเถระว่า พิสูทั้งหลายพระศิวรีเลิศ ก, กว่าพวกพิสูสา ว, วกของเราผู้มีลาบมากพระศิวรีเถระกล่าวถึงเหตุให้ได้รับยกย่องว่าเพราะเศษแห่งกรรมที่เราเป็นผู้เบิกบานบูชาพระผู้นำพิเศษพระนามว่าปทุมุตตระและพระนามว่าวิปัสสีด้วยปัจจัยทั้งหมดโดยพิเศษเราจึงได้ลาบอันประเสริฐไพยบู์ทุกแผงหล คือในป่าในบ้านในน้ำบนบกในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำของโลกชั้นเลิศร้อมด้วยพิสูจสงฆ์สามหมื่นรูปเสด็จไปเยี่ยมท่านพระเรวตตพระพุทธเจ้าผู้มีพระปีชายใหญ่มีความเพียรมากผู้นำของโลกพร้อมด้วยพิสูจสงฆ์เป็นผู้อันเราบำรุงด้วยปัจจัยที่เทวดานาเข้ามาถวายเรา กลับจากเยี่ยมพระเรวตะถึงพระเชตฐวันมหาวิหารแล้วจึงทรงแต่งตั้งเราไว้ในตําแหน่งเอตถาภิกษก็เรียนดูไปพร้อมๆกันนะไปเรื่อยๆพระศิวลีเนี่ยนะพอครูสรุปสั้นๆ น, นะคือบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาป ส่วนบุญเนี่ยเขาก็เกินถึงประวัติของท่านนะจริงๆแล้วมาเป็นแสนแสนกลับเลยนะไม่รู้กี่รานชาบังเอิญท่านมีโอกาสที่ยกตัวอย่างมาน่าจะมากกว่านั้นการทำบุญกุศลนะท่านมีโอกาสอุปถากพระพุทธเจ้า อ, อ, อย่างน้นอยๆที่เขายกตัวอย่างมาพระพุทธเจ้าสอง อันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าปทุมุตระนะพร้อมด้วยสาวกอะไรเนี่ยนะเนื่องจากท่านเป็นพระราชาก็มีโอกาสได้ทําบุญเยอะนะแล้วก็ผ่านจากวันนั้นมาอีกกับที่เก้าสิบเนะกับที่เก้าสเอ็แต่และกลับนีเป็นเป็นไม่รูก้กี่ร้อยปีเนี่ยนะหมายถึงว่าอี ก, อกเก้าสเอสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยนะซึ่งท่านก็มีโอกาสได้ ถวายนมส้มและน้ำผึ้งแด่พระพุทธเจ้าพี่ปัต ส, สีพร้อมทั้งภาษาวกนะด้วยกรรมดีนั้นน่ะเมื่อลาจากมนุษย์ก็ไปเกิดในดาวดึงสวรรค์นะแล้วก็บุญกุศลที่สะสมมามากมายส่งผลให้ชาติสุดท้ายเกิดมาพบพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะซึ่งชื่อว่าพระ พุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าที่องค์ที่เรานับเคารพ บ, บูชาปัจจุบันก็ผู้เจ้าก็ภิกษุทั้งหลายพระสิวลีเลิศ ก, กว่าพระภิกษุสาวกออของเราผู้ที่มีลาภมากใช่ไหมบุญกุศลที่เราสร้างมาทำไมคนนี้เกิดมาเป็นลูกของขอทาน คนนี้เกิดมาทําไมพ่อเป็นมหาเศษฐีไม่เดือดร้อนเนี่ยที่เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วมันจะรวยล้นฟ้าอะไรก็ช่างเผลอไปทําชั่วเนี่ยก็ตกนรกได้นะก็บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปอันนี้ส่วนที่บุญกุศลที่ท่านได้สร้างมาท่านก็จะมีโอกาสได้มาเจอพระเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านมาดูทําตอนไหนนะก็คงไม่ใช่ ให้ไม่ขีลำไม่ปงผมให้นะขั้นบรรลุธรรมตอนที่กําลังปองผมอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็พิสูจน์อะไรไม่ใช่ว่าต้องเป็นมาทีละขั้น เ, ออเธอ ม, มีไม่มีศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิไม่เกิดสมาธิปัญญาไม่เกิดนาะยพูดไปเลยๆก็พูดไปมันไ ม, ไม่ไม่ให้สู่สําเร็จนะพระอานุ์ก็บรรลุตอนที่ปฏิบัติถึงสว่างเลยไม่บรรลุนอนดีกว่าบรรลุกลางอากาศนะพระสิวลีีบรรลุตอนที่ปองผมอยู่เนี่ย ตั้งแต่โสดาบันไปถึงอรหัตผลเลยนะเนี่ยมันถึงไม่มีสูตรสมเด็จมันอยู่ที่บุญบารมีที่สร้างมาจริตที่บันทึกที่สะสมมาไม่เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นเราได้ทุกเวลาพอถูถูศาลาอยู่เนี่ยนะถ้าสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมันสะสมมาเก้าจแล้วบวกกับสมาธิเวลานั้นแค่หนึ่งปุ๊บนี่บรรลุธรรมได้ทันทีนะพวกเราต้องอย่าประมาทนะและสิ่งนั้นเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดขึ้น ทีนี้นั่นคือส่วนบุญส่วนที่เป็นบาปนนะเห็นไหมไปล้อมเมืองเขาเจ็ดปีนะพะมารดาร่วมด้วยนะทีแรกเจ็ดปีข่านก็มีเมตตาว่าเฮ้ยก็ปล่อยให้มันขนเบียงเข้าไปกินหน่อยหนึ่งเห็นไมเขาก็ไม่ยอมแพ้ไงเนี่ยทีนี้ปิดเลยเจ็ดวันบอกไม่ให้กินอะไรเลยเนี่ยราศดรเดือดร้อนก็จับพระราชาตัดคอก็เอามามอบให้นี่คือกรรม กรรมแลส่งผลชาติสุดท้ายขณะชาติสุดท้ายจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะยังต้องรับกรรมอยู่ในคันมารดานี่ยปีกับอีก7วันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นกรรมเห็นไหมแม้กระทั่งจิตซึ่งจะมาเป็นพ ร, ระอรหันต์ก็ช่างมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทุกคนเป็นอย่างนี้นะนะโดยเฉพาะเด็กๆลูกหลานเรามีโอกาสมาได้บวชเนี่ยอันนี้ฝ่ายกุศลที่เราสร้างมาไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆนะ อันนี้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชก็บวชได้อันนี้เป็นเรื่องฝ่ายบุญส่วนฝ่ายกรรมเราก็ต้องรับมันไปนะก็เมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างหนึ่งพราะพุทธ อ, องค์ยังถามว่าสิบลีมาด้ว ย, ยไหมเห็นไหมถ้าไปทางใกล้เนี่ยมันมีพวกอะมนุษย์แล้วก็มันมันจะกันดานมากนะถ้าไปทางอ้อมเนี่ยเห็นไหมมันจะหาอาหารได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยผู้เจ้าถามว่าถ้าสิบสิบบริมาเนี่ไปทางตรงเลย รับรองปลอดภัยแล้วก็มีเพราะว่านี่คือบา ร, รมีเห็นไหมเนี่ยมันเป็นมันไม่เหมือนกันนะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอดีตผ่านไปแล้วเราย้อนหลังไปทําไม่ได้ปัจจุบันต้องสร้างกุศลลจ้จิสร้างฝ่ายบวกนะเราเป็นนักบวชก็ไม่ชีน้อยสั ม, มเนรน้อยเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้ครองเดือนไปหาเงินแล้เอาเงินมาทําบุญนะตอนนัทสิบรีมีโอกาสเป็นพระราชาไงเออ พระองค์ก็มีโอกาสได้ได้สร้างมาหากุศลเลี้ยงพระเป็นหมื่นมื น, มนนะเจ็ดวันเจ็ดคืนอย่างนี้นะเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ที่นี้เราเป็นนักบวชเนี่ยไม่ใช่ต้องมาหาเงินมาทำบุญนะเราทำบุญได้ทุกวันนะเออทำความสะอาดนะสถานที่นะเข้าห้องน้ำก็ถูกู ถ, ถูคนอื่นไม่รู้ก็ช่างจิตเราบันทึกแล้วนั่นคือกุสุนะทาบุญทาทานบุญเกิดจากการให้ทาน เขาทําห้องน้ําเปื้อนอย่าไปบุญหูอย่างเดียวเท่านั้นแหละเห็นไหมเราก็ได้บุญกุศลนะเราเร า, เราทําบุญไม่ต้องผ่านเป็นเงินมาทําบุญนะนักบวชเราจะเอาเงินที่ไหนมาทํำอันะนี้ก็ต้องเรียนรู้พราะกูอ่านแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันว่าเออมาจากอดีตทั้งนั้นแหละพราะกูเองก็มาจากอดีตชาติสุดท้ายปัจจุบันเกิดเป็น เขาตั้งชื่อในบัญชาในบัญชาซึ่งดื้อมากไม่มีศีลห้าด้วยเห็นหมแล้วอยู่ๆมันระเบิดมานั่งตรงนี้ได้ยังไงอะถ้าไม่ใช่บุญเก่าไม่มีทางเลยไม่มีทางเด็ดขาดเห็นไหมเหมือนองคุริมาเนี่ยเห็นไหมชาติสุดท้ายฆ่าคนฆาคนฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสบเก้า ส่วนที่เป็นบุญมาไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศคำหนึ่งก็สว่างแล้วนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องชาติเดียวนะเรื่องอดีต ด, ด้วยแต่อดีตเนี่ยถ้าเรายังระลึกชาติไม่ได้ชัดเจนเราก็ไม่รู้ส่วนมากมันรู้อหรหันต์แล้วก็เห็นเองนะอ๋อถึงมาพูดทีหลังว่าเคยทําอะไรมาเคยทําอะไรมานะพออระอรหันต์แปดสิบพระองค์เนี่ยพระครูอ่านดูแล้วคล้ายๆกันมิแต่ว่าต่างกันที่บุญบาปสร้างมาเงื่อนไขไม่เหมือนกันตอนนั้นดู นะตก็รักใหญ่ๆก็คือสองคนนะสองคนนั่งแค่นั่นแะหละ ก, ก็คือบุญกับบาปถ้าเรารู้เรื่องนี้ปัจจุบันนี้เราเลือกทําบุญก็ได้ทําบาปก็ได้อยู่ที่เราลนะมีจริงนะเราทําบุญปุ๊บจิตก็บันทึกไว้นะตายแล้วไม่จบนะบุญตัวนี้ก็ส่งผลถึงอนาคตชาตนะิถ้าคนมีปัญญาแล้วเนี่ยต้องอยากปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยเฉพาะบุญที่เยอะที่สุดนะ วิปัสนาสิ่งที่เราปฏิบัติอันนี้คือล้างกรรมทางจิตเลยหล ะ, ะได้อา น, นิสงส์มากที่สุดแต่ไม่ใช่เออฉันทำแล้วอย่างอื่นฉันไม่ต้องทำนะไม่ต้องหาอภัยเพื่ อ, อนนี่ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็คนโง่หมายถึงว่าเก็บตกทั้งหมดเลยวันนึงยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ฝ่ายกุศลอย่าเผลอไปสร้างฝ่ายอกุศลมันไม่ได้หนีไปไหนมันสะสมมานะนะ ปัจจุบันนี้เรามีหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทําหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความดุจตนแต่ต้องทําหน้าที่ซึ่งเป็นกุศลไม่ใช่หน้าที่ไปฆ่าคนไปขโมยของเขาไปรังแกเขาอันนั้นก็หน้าที่ฝ่ายอากุศลทำไมอกุศลก็ต้องรับนะ่ะขนาดเป็นพระอรหันต์นะชาติสุดท้ายยังจะต้องรับกรรมอยู่ในท้องอยู่ในครันมารด้เจปีเจดวันอันนี้ก็เป็นฝ่ายกรรม มานดาก็ต้องรับด้วยเพราะเป็นสร้างกรรมร่วมกั น, นก็ต้องทุกทรมานยูเจดปีกับเจดวันอันนี้เขาชี้ให้เห็นชัดมากว่าคือต้นแบบสีวลีนี่คล้ายๆว่าสองด้านนี่แรงมากเลยฝ่ายกุศลก็แรงเห็นหมบารมีเยอะมากเดินไปทางกันดาลเนี่ยเขแคลค่าดหมดบุญรักษาแต่ฝ่ายที่แรงเนี่ยไปล้อมเมืองเขาให้เขาอดอยากอดตาย เห็นไหก็ต้องมารับกรรมอยู่ในคันมารดาอีกเจปีเจวันนะอันนี้อันนี้ชัดเจนก็เรียนรู้ด้วยกันเพราะกูก็เรียนรู้นะก็พวกก็ฟังไปเรื่อยๆนะตอเรียนรู้แต่แต่ไอความรู้เหล่านี้ก็คือเข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้จิตยังไม่รู้นะก็ก็รู้ไว้ใช่ว่ารู้แล้วต้องมุ่งมั่นปฏิบัตินะความเป็นจริงเกิดจา ก, กเราปฏิบัติจริงๆเราต้องให้อภัยได้จริงๆ ภาษาสันติบอกกีฟแอนตัวกีฟนะก็คือทานนะให้ได้อาภัยไดนะ้ต้องทํำบ่อยๆคําว่าให้ก็คือการทําความดีแล้วนะก็การทำไม่ใช่ว่าไม่พอใจพุ๊นี่ก็เล่นงานเขาอะไรอพวกนี้คนอื่นไม่รู้นะจิตบันทึกเต็มๆเลยนะโดยเฉพาะเป็นเล่นงานจิต ท, ที่เขาริลีสูตรเนี่ยนะมันตีกลับหมดนะก็หลีกเลี่ยงเ ร, ร เ, ร เ, ร เ, รเราไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอในกอในขอเรารู้หน้าไม่รู้ใจ เราไม่เห็นใจเขาอาจจะไปเจอพระอริยะก็ได้นะรับเต็มๆ เ, เลยนะอันนั้นใครก็ช่างแม้กระทั่งสัตว์พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปแตะมันเห็นไหมบางทีสัตว์ตัวนั้นเคยมีเป็นเป็นผู้มีพกคุณต่อเราในอดีตบางเอิ้ส่วนที่เขาเผลอเขาไปสร้างกัรมบุคคลเกิดเป็นในร่างของสัตว์นั่นนะอันนั้นนะที่บอกว่าให้ละเว้นให้ละเว้นนะทำแต่เรื่องเป็นกุศลนะก็หลายอาทิตย์มาเราเรียนรู้เรื่องพระอรหันเนี่ย ก็ส่วนมากเขาก็เหมือนกันนั่นแหละเอาว่าดีแต่ละพระองค์มาเล่าให้เราฟังทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะแล้วมันก็ส่งผลถึงชาติปัจจุบันนะแล้วก็แต่ละท่านบรรลุทางไม่เหมือนกันถึงอย่าไปถามว่าเบื่อเพราะอะไรทําไมเบื่อแล้วก็วิธีรักษาเบื่อยังไงไม่มีสูตรสําเร็จโอเคนะยังเต้ฟังนะก็รีบมาเมืองไทยเร็วๆก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใย และสิ่งศัตว์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบาลมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองแล้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวเถ อ, อ